เราจะเทียบทั้งโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาเหมือนคนที่เกิดอยู่ในเรือนจําตอยู่ในเรือนจำโตอยู่ในโตอยู่ในห้องขังเลยไม่มีวันออกมาดูโลกภายนอกดูแต่ในห้องอยู่่ในห้องขัง ตั้เล็กนโตคือไม่ทราบว่าภายนอกเขามีอะไรกันความสุขความทุกข์ก็เห็นกันอยู่เพียงในเพื่องจำไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกเขาว่าเขามีความสุขความสบายเขามีอิสระยังไงบ้างมีความรื่นเรงมันถึงไปมาหาสู่ไปแบบไหนมายังไงอยู่ยังไงกันโลกภายนอกเขาอยู่กันยังไง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 นี่มาจากโลกนอกคือคือภายนอกจากเรือนจำเอามาเทียบเคียงกันพอให้ทราบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอันนั่นดีกว่านี่อันนี้ดีกว่านั่นอย่าง น, นี้ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจําสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรออยากขาดแคลนลําบากลําบนถูกกดขีบ่บังคับขนาดไหนก่อน เคยเป็นมาอย่างนั้นดั้งดั้งตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเปรื่องตนไปได้อย่างไรจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนฮะคอยเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่บังคับเตือนตีกันนี่เอามนกันอย่างนั้นอดอดอยากอยากขาดขาดแทนแตลอดถึงที่นอนหมอนมุ้งอาหารปัจใยมันอยู่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 ความสุขที่นอกเหนือไปจากจิตที่เป็นอยู่เวลานี้เหมันคือความสุขอะไรมันเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนจํามาตั้งแต่เด็กเมืมันทราบว่าโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเริงมันเทิงความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเห็นแต่ถูกกดถูกขีดถูกบังคับทุกสินทุกอย่างมีแต่เครื่องบังคับให้รับความลําบากลําบนมีตลอดเวลา ม่จิตใจที่ถูกกิเลส อ, อาสวะทั้งหลายบังคับกดขี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะเช่นนั้นจปงไม่ทราบว่าจะออกทางไหนไปอย่างไงโลกนอกเป็นโลกอย่างไรทำท่านประกาศสอนอยู่ปังป้งๆมันก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่ยังดีที่ผู้สนใจมีบางแห่งบางสถานที่ไม่มีเลยว่าโลกนอกเป็นอย่างไร ไม่มีใครประกาศไม่มีใครพูดให้ฟังไม่ทราบว่ า, าศาสนธรรมเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้น จ, า, จากอัตจะกรธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีศาสนาหนึ่เหมือนกับว่าโลกนอกไม่ปรากฏเลยมีแต่เดินจำเท่านั้นเกิดมาโลกนี้มีแต่โลกเดินจำเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นที่ตายอยู่นี่หมดะในจิตใจก็ไม่ทราบว่า อะไรที่จะให้ความสุขความสบายเป็นอิสระยิ่งกว่าความเป็นดุเวลานี้ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็ดเล่นน้าอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเดือนจแชะจะแช่แชอยู่นั่นกิจโกกโป่กสงมงขนานไหนมันก็พอใจเล่นเพราะไม่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้ําบึงน้ําบ่อที่นันคือกว้างขวางตีแบ บ, บว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบาย มันเห็นแต่น้ำใต้ถุนบ้านถึงเดือนเนี่ยเขาเทล่างสินล่างของงไปแล้วก็ขังตรงนั้นมันก็เล่นนั่นก็สนุกสนานอแหวกว่ายท้งมันได้ยกสะดวกสบายลื่นลืนเพราะเห็นไรเพราะมันไม่เคยเห็นน้ำที่กว้าขงขวางหรือลึกยิ่งกว่านั้นพอที่ให้เกิดความลื่นลึ่นมันถึงความสุขความสบาย แต่การไปมาหรือการแบบหว้มาห้างกลางตัวได้รับความสะดวกสบายมันไม่เคยเห็นนันก็มีความลื่นเลืองอยู่กับน้ำใต้ถุงบ้านทุงเดือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเทศนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลำคลองนั้นเป็นอีกอย่างมันสนุกสนานเกี่ยวตามหัวน้องควองบึงจะของไล่ไาเที่ยวที่ไหนก็ไปเต็มถนนทนทาง ข้ามาเห็นโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเต็มเป็นร้อยเป็นพันๆเหมืนเป็นเป็ดอีกปรเภทหนึ่งนี่ได้แกอะไรก็เที่ยวเข้ามาก็น่าจะจิตที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความมื่นคงมันถึงที่เกิดขึ้นจากอาจีพธรรมซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเป็ดเล่นน้ําในลำคลองนิงใน บึงบางต่างๆ้วยความสะดวกสบายเรามีความสุขเกิดความสุขด้วยอำนาจของกิเลสบังคับบัญชาอย่างนี้ที่เหมือนกับเวรกรรมทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกแล้วเนี่ยทีนี่โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตตระธรรมนู้นมาตั้งแต่แดนนิพพานลงมาโดยลำดับลำดับ จระทั่นถึงมนุษยโลกท่านชี่แจงแสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวอผู้ที่มีปณีสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะยิ่ยงกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ ม, มีเมื่อเรายิย่งอัดยั่งทำได้อ่านตามตำหนักตำลาเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกอคือเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความปวดเครื่องความทุกข์ความทรมาน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 สบายพนาจิตใจเบ้าอกเปอาใจนี่เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลำดับความอุตสาห์ความพยายามความอดความทนมาตา ม, ตามๆกันมาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่ในตักแต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้ น, นมาคน้นคิดพินิจพิพพจรารณาแม่สิ่งเหล่านี้จะเคยเป็นข้าสิบ์มานนานกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยสนใจคิดกอดเกิดความสนใจขึ้นมา อะไรมากระทบกระเทือนทั้งตหงจูจ ม, มูกลิ้นกายใจซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนคนตายถือเป็นธรรมธรรมดาธรรมดาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนสติปัญญาเพราะได้คิดค้วนบังเลยแต่เมื่อเข้าสู่กระแสแห่งธรรมเนรับการอบรมในส่วนสติปัญญาเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณประจักษ์ใจซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจก็มีความคล่องแคล่วที่จะคิดพินิพิจารณา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 เกิขึ้นมาก็จมอยู่ในความทุกข์ความทรมานอย่างนี้ความขึ้นที่ว่าความสุขนั้นไม่ปรากฏจากโลกนอกเลยนี่คือไม่ปรากฏจากอัจฉาิธรรมเลยปรากฏก็ปรากฏแบบความสุขที่ความทุกข์รออยู่ฉากหลังที่คอยจะมาหยัดย่าทําลายหรือล้างความสุขนั้นให้หายไปโดยลาดับนี้ทีนี้เราได้เห็นความสุขภายนอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในก็เห็นความสุข ที่ภายในจิตมก็เห็นคือความสุขที่มีที่มีอยู่ที่อยู่ใต้อํนานาจของกิเลสก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของตนเองประจักษ์กับใจนี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกเืิดได้จากกระแสธรรมที่ทราบซึ่งขปายจิตใจก็เห็นนี่พอเป็นข้อเทียบเทียงกันไปโดยลํำดับลํำดับการ ปฏิบัติโดยลําดับเห็นโลกนอกโลกในทั้งคุณและโทษเอามาประกอบเอามาเทียบเคียงกันโดยลําดับยิ่งจะเกิดความภาคเพียรความอดความทนขึ้นโดยลําดับลําดับจนกระทั่งอะไรผ่านเข้ามาขึ้นคือว่าเรื่องของกิเลสซึ่งเคยกดถี่บงังคับจิตใจแล้วต้องต่อสู้กันทันทีทันทีแก้ไขปวดเปื้องห ร, อหรือถอนกันโดยลําดับ เพื่อน้าทางสติปัญญามีความเพียนเป็นเครื่องู้นหลังจิตใจก็หมุนไปเองเมื่อความเห็นโทษมีมากความเห็นคุณมีมากความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดพ้นมีมากเพียงไรเรื่องความภาคเพียนก็ต้องมีมากความอดความทนตามตา ม, ตามกันมาเพราะดีในใจดวงเดียวกันเห็นโทษก็เห็นใจทั้งดวงนั่นละใจทั้งดวงมันผู้เห็นโทษเห็นคุณก็ใจทั้งดวงมันผู้เห็นที่ การที่พยายามแบบว่าด้วยยิธีใดตามความสามารถของตนก็เป็นเรื่องของใจทั้งดวงจะเป็นผู้ทําความพยายามตบเครื่องตนเองนัเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอาการของจิตเป็นเครื่องสนับสนุนจิตกึินมาพร้อมๆกันเนกิศรัทธาความเชื่อต่อมาต่อผลความเชื่อต่อแดนพ้นทุกระยะความภาคเพียรที่จะทําตัวให้ดุพ้นไปโดยลำดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบืนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาเดิม ด, ดับ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 ไม้ไปที่อื่นสมารกรมมันตาก็มีแต่เดินจบกลมนั่งสมาธิค้อแล้วที้เ อ, อกงกรรมมันต่างานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลําดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวงเามาจิตเป็นมรรคสมััตีคือมรรครวมตัวเข้ามาสู่จิต ด, ดวงเดียวสมาธิติสม า, ส, มาสังโฆได้แก่เรื่องของปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวก็เรื่องธาตเรื่องขันเรื่องสิ่งต่างๆที่ปรากฏสัมผัสเกิดขึ้นระดับไปทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งอดีตอนาคตที่เข้ามาปรากฏพนาจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกไปโดยลำดับไม่รอให้เสียดิล่มเวลานะธรรมากัมันตะ ก, ก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆเนี่ยกัมมันตะ ก, การงานชอบที่เกี่ยวกับทางกายก็ทำอย่างนี้เกี่ยวกับทางใจก็วิริยะคือความภาคเพียรธรรมาอาชีวะพูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำ สนทนาการก็มีแต่สั้นเลยถ้าทำได้แก่ทําเป็นเครื่องขัดเกลาหรือเป็นเครื่องล้างชำระล้างกิเลสอาชจจวะออกพันธกิจใจแล้จะทําด้วยวิธีใดกิเลสถึงจะออกไปหมดไปโดยชิ้นเชิงนี่ธรรมาวาจาธรรมากรรมตะธรรมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นข่าศึกต่อจิตเรียกว่าเลี้ยงขีดขลิด อ, อารมณ์เป็นข่าศึกแต่จิตจิตต้องมีความมัวหมอง จิตมีความมัวหมองไมาใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใ จ, จิตใจมากน้อยตามส่วนแห่งจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นยาพิษเลี้ยงชีพไม่ชอบแก้ขายดันทีทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุ่นเริงเป็นไปเพื่อความขูดความสบายนั่นแหละคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตมี่เป็นอาหารที่เหมาะสมเนี่ยเลียเยยเ้ยงชีพชอบเลี้ยงเข้ามาตรงนี้ทินสัมมาวายมะเพียนชอบเพียนเพียนอะไร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 แล้วสิ่งใดที่พยายามแก้ไขได้แล้วก็พยายาให้มันเกิดขึ้นอีกง่ะมันก็เป็นอย่างนั้นพยายามจะโนสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความเช่นแล้วฉลาดใ้้นี้มากขึ้นโดยลํำดับลําดับเนี่ยในสี่สถานจะมีที่ไหนสมปารฐานสี่ท่านว่าเออมันก็อยู่ในที่นี่สมาสติก็ดูอยู่ในตัวของเราเนี่มันเคลื่อนไหวไปที่ไหนความระลึกความรู้ตัวรู้อยู่ตลอดเวลา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 ตัวได้ด้วยควาําปรุงอันนั้นเช่นคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธหากว่าจิตมันจะแยกออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานยังไม่เสร็จเราก็ให้พยายามเข้ากําหนดคําบริกรรมถียิบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทํางานคือจิตขั้นที่เพลินต่องานมันเป็นมันมีเถอไม่ได้แต่จะว่าเถอมันก็พูดยากรามือไม่ได้ว่างั้นปุ่นง่ายเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดไปหางานเอาตอนนี้เราต้องให้ หนักแน่นในการบริกรรมบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือพุโทโธเป็นเครื่องยับยั่งจิตกำหนดพุดโทพโธวุทโธให้มันถียิบอยู่นั่นแล้วกัพุโทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันแนว่วหรอกทั้งหมพอจิตสงบลงมาจิตก็สบายปล่อยวางงานอะไรทั้งหมดเย็นขึ้นมาซึ่งภายในใจิตใจนี่คือสมาธิอ ส, สมาธิที่ชอบในขณะที่จะพักต้องพักอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบ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 การปฏิบัติเพื่อความราบรื่นของใจเราจะเห็นว่าสมาธิอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกถ้าผู้ติดสมาธิไม่อยากจะออกทํางานเลยอย่างนั้นเห็นว่าถูกต้องการตหมิสมาธิเพื่อให้ผู้นั้นได้ถอนตัวออกมาทํางานแต่ถ้ากิตมีความเพลิดเพลินในงานนะเรื่องของสมาธิก็มีความจําเป็นในด้านหนึ่งในเวลาหนึ่งจนหน้าคนเราทํางานไม่พักผ่อนนอนหลับบ้างเลยนี่ทํางานต่อไปไม่ได้อืม แม้จะรับทานอาหารมันเสียไปด้วยการรับทานก็ให้มันเสียไปผลที่ได้ก็คือธาตุขันธ์มีกําลังจากการรับทานได้กําลังวังชาขึ้นมาเพื่อประกอบการหน้าที่ทํางานต่อไปได้อีกเนี่เงินจะเสียไปเข้าของยิ่งอะไรต่างๆที่เรานํามาทานจะเสียไปเสียไปเพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเป็นพลังในร่างกายลรามันจะเป็นอะไรไปมันเสียไปเสียอย่างนี้ไม่เสียผลเสียประโยชน์อะไรถ้าในรับทานกําลังจะเอามาจากไหนต้องรับทานเสียไปก็เสียไปเพื่อกําลัง ให้เกิดกําลังขึ้นมานี่การพักสมาธิในขณะที่พักใหมีความสงบความสงบนั่นแหลเป็นพลังของจิตที่จะหนุนทางด้านปัญญาได้อย่างค่องแคล่วเราต้องพักให้มีความสงบถ้าไม่สงบเลยมีแต่ปัญญาเดินท่าเดียวก็เหมือนกับมีดไม่รับหินมันทุกๆ ต, ติบๆแมายทราบเอาสันลงเอาคมลงมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากถอดดัากถอนโดยทาเดียวโดยที่ปัญญาไม่รับเป็น ถึงที่หนุนหลังคือความสงบเย็นใจให้เป็นกํำลังตัวเองแล้วมันก็เหมือนชิ้มีดไม่ได้รับหินนั่นเองฟันก็ตุ๊กๆๆ๊กิ๊กติ๊ค่อยขาดง่ายเสียกําลังบางชาไปเปล่าๆนีเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พักต้องให้พักการพักผ่อนก็เห ม, มือนกับว่ารับหินรับปัญญานั่นเองพักธาตุพั ก, กขันคือจักร ก, กายก็มีกําลังพกักจิตก็มีกําลังด้วยพอมีกําลังแล้วออกคราวนี้ก็เหมือนกับมีดได้รับหินแล้วอารมณ์อันเก่านั่นแหละ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 ความบาบางของกิตก็เป็นคุณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่กดกรอกได้เราก็เห็นคุณค่าขอางอันนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรรวมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนภพชาติอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจดวงเดียวทั้งหมดนอกนั้นเป็นกิ่ตการสาขาเช่น อ, ออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปนั้นต้นหของมันจรจิตอยู่ที่ใจเวลาเราพิจารณาสิ่ง น, นั้นรอบเข้ามารอบเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ใน จิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดอมืวัตตาบนไม่ได้แก่อะไรได้แก่จิต ด, ดวงเดียวนี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้เวียนเป็นผู้ท้าให้เกิดให้ตารมีเท่านี้เพราะอะไรเพราะเชื่ อ, องมันมีอยู่ภายในเมือ่อใดชาติปัญญาพิจารณาค้นคว้าใหเห็นชัดเจนลงตัดออกมาเข้าตัดเข้ามาเป็นลาดับลําดับลำดั บ, นด บ, นดบจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวการสาคัญมีอธิชาตเป็นสิ่งสำคัญมากที่อยู่เป็นเชื่อวัตตะอยู่ภายใน จ, ใจิตใจ แยกแยกลงไปพิจารณาลงไปไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ว่านี่คือนั่นนั่นคือนั่นกำหนดลงไปให้หมดเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั่วไปแม้ใจะจะมีความสว่างสวไวขนาดไหนก็ตามก็ให้คุงทราบว่านี้เป็นเรือนใจที่พอพักอาศัยไปช่วการช่วเวลาเท่านั้นหากยังไม่สามารถพิจารณาให้แตกกระจายลงไปได้แต่เราอย่าลืมว่าจิตที่มีความเด่นดวงนี้แหละคือดวงของวิชาแท้ พิจารณาเอาเ อ, าอานั้นละ่ะเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอ้าวอันนี้จะสะลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้มันได้คิดหายจมก็ด้วยกันก็ให้รู้จะถี่เราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงให้เห็นเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงให้ามันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะชิบหายลงไปให้ชิบหายแม้ที่สุดผู้รู้ที่กําลังพิจารณานี้จะคิดหายไปตามเขาก็ให้รู้ เราไม่ต้องเหลือไว้ว่าเป็นอะไรเป็นเกาะเป็นดอนของเราอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเหลือไว้ทั้งนั้นพิจารณาให้ถุงความจริงไปด้วยกันหมดสิ่งที่เหลือนั่นแหละคือสิ่งที่หมดวิสัยของส ม, มุติที่จะเอื้อมเข้าไปถึงจะไปทําลายได้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ธรรมชาติถึงความบริสุทธินี้นจะไม่มีอะไรทําลายได้เลยกิเลสเป็นสิ่งสมมติมีเกิดขึ้นได้ดับไปได้เพราะนั้นจึงชําระได้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 เพราะมันพ้นวิสัยที่จะทําแล้ววิสัยที่จะทำก็มีแต่เรื่องของสมุติทางนั้นเมื่อแก้สมุติออกจากใจหมืดแล้วมันก็หมดวิสยัยแล้วอะไรคิบหายทิ่นี่ทุกก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปไม่รอดความดับทุกก็ดับไปมัดเครื่องประหารสมุทัยก็ดับไป สัจะทําทั้งสี่ดับไปด้วยกันทั้งนั้นทุกก็ดับชมูไทยก็ดับนิโรดก็ดับมรรคก็ดับนะตั้งเด็กอะไรที่รู้วันนี้ทุกดับไปชมูไทยดับไปนิโรดดับไปมรรคดับไปนะอะไรที่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปผู้นี้แหละผู้ไม่ใช่สัจธรรมนะผู้นี้ผู้เหนือสัจธรรมการพิจารณาสัจธรรมพิจารณาเพื่อผู้นี้เท่านั้น เมื่อถึงตัวจริงนี้แล้วสัจธรรมทั้งสี่ก็หมดความหมายไปเองโดยไม่ต้องไปชำระไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องไปปลดเครื้องเช่นปัญญาเหล่านี้เวลานี้เราทํางานเต็มที่แล้วปัญญาเราปล่อยได้ไม่ต้องกระตั้งกําหนดไม่ต้องไปมีกําหนดกดเกณฑ์ชัติก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งเป็นเครื่องลบสิ่งนี้เพรอข้าศึกสงครามมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองน่นอะไรที่เหลืออยู่ก็คือความเมรรสุนั่นแหละพระพุทธเจ้าที่นำไปสอนโลก ประกาศธรรมของโลกเอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้แหละไปสอนสอนโลกาศาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ต้องและอุบายแห่งการสอนต้องสอนทั้งเรื่องของทุกข์ของสมูทยัยของนิโรธของมรรคเพราะอาการอันนั้นเป็นอาการเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ให้รู้วิธีแก้ไขรู้วิธีดับรู้วิธีบำเพ็ญทุกกลินทุกอย่างจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วได้จากความมรยสุทธิ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 เราเรียกว่าโลกไปงั้นน่ะเพราะโลกมันสมมติก็ว่าไปางั้นนี่นะพี่กันนามันออกจากที่คุมขังนี่สิเกิดก็เกิดในที่คุมขังอยู่ก็อยู่ที่คุมขังตายก็ในที่คุมขั ง, งนี่นั่นนั่นตายนอกจากเดือนจํารติเพราะมันนอกเอดือนจรปกติในแสนสบายแสนสบายดำพระพธธุทธเจา้าสาวกทั้งหลายท่านท่านก็เกิดในเดือนจาเหมือนกันแต่ท่าน ออกไปตายนอกเดือนจำออกไปตายนอกโลกไม่ได้ตายอยู่ในโลกกดขี่บังคับนี้ อ, อาไวพี่กันน า, าละการแสะดานธรรมพอเห็นว่าสมควรข อ, อยึดตุ